ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่17เรื่องของการเรียนรู้ก็หมายถึงศึกษาและก็หมายถึงการที่จะได้เจริญงอกงามหรือพัฒนาชีวิตหรือว่าจะเกิดสติปัญญาอันนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่เกิดเลย นี่เราไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องของชีวิตที่ยาวนานไม่ต้องสืบไปกระทั่งถึงชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าอะไรเอาแค่ในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นการพิจารณาความเป็นจริงที่ง่ายๆเรื่องแต่มนุษย์เกิดมาเนี่ยพอเราเกิดมาเราก็จะต้องดำเนินชีวิตที่เรียกว่าอยู่รอด อยู่รอดแล้วก็อยู่ให้ดีนี่ชีวิตแค่อยู่รอดเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการหรือว่าวิธีที่จะทำให้เป็นอยู่ได้มนุษย์จะเป็นอยู่ยังไงพอมนุษย์เกิดมานมีแต่ตัวมาพอมีแต่ตัวมาแล้วก็ยังไม่มีรู้เรื่องอะไรเลยเนยเกิดมาก็ ออกมาอยู่ท่ามกลางโลกนี้ลืมตามองเห็นอะไรเห็นอะไรก็ยังไม่ค่อยชัดด้วยนยีแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนีก็อย่างที่ว่าแล้วมนุษย์ก็ต้องอาศัยพูดเลี้ยงดูทีนี้เราตัดเรื่องผู้เลี้ยงดูที่พูดไปแล้วว่าเป็นนั้นว่าผู้ช่วยเชิญพ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูไว้แล้วก็ในระหว่างนี้ก็เรียนรู้ไปจนกระทั่งว่า ตัวเองแล้วก็เป็นอยู่ได้ทีนี้เรามาดูเรื่องของการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ ย, เ, ยเมื่อมนุษย์เกิดมายังไม่รู้จักอะไรการไม่รู้นี่ก็มีผลก็คือว่าก็เมื่อไม่รู้อะไรก็ทําอะไรไม่ถูก เ, เมื่อไม่รู้อะไรเป็นอะไรนีมันมีความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างไรเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรมันติดขัดไปหมด มันไม่รู้จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรการที่จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นอยู่รอดก็ต้องเอาชีวิตของตัวเนี่ยดาเนินไปในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมมนุษย์มนุษย์เกิดมาก็มาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปหมดในการที่ดําเนินชีวิตก็คือว่าและชีวิตของเราจะเป็นอยู่ไปได้อย่างไรท่ามกลางสิ่งแวดล้อมนั้นอทีนี้สิ่งแวดล้อมนั้นตัวไม่รู้จักเลย เมื่อไม่รู้จักก็จะเกิดความติดขัดไปหมดบีบคันขัดข้องเราก็เรียกเป็นภาษาไทยกันว่าปัญหาใช่ก็เกิดปัญหาที่จริงปัญหามันก็เป็นศัพท์สมัยหลังคำว่าปัญหานีนเดิมในภาษาพระท่านก็แปลว่าคำถามใช่ไหมที่จริงไอ้ภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความติดขัด บีบคั้นขัดข้องเพราะไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะภาวะนี้ที่จริงเรียกว่าทุกขนะ์เพราะฉะนั้นตัวสับที่แท้นี่มันทุกข์สนะมัยนี้มาเรียกว่าเป็นปัญหานะก็ว่าในแง่นหนึ่งก็ทำให้เกิดความสับสนเหมือนกันทำให้คนไม่ค่อยเข้าใจความหมายของควาว่าทุกข์นะชีวิตเกิดมานี่พอเกิดมาปั๊บ มาอยู่ท่ามกลางโลกสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เริ่มติดขัดทีเดียวว่าแล้วเราจะเป็นอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าเป็นอยู่ได้ต้องรู้จักสิ่งต่างๆเพราะจะดําเนินชีวิตไปได้ต้องรู้จักรู้ว่าเป็นอะไรรู้จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนั่ะนั้นเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงปฏิบัติอย่างไรสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็ติดขัดขับข้องเกิดความทุกข์ อันนี้ตอนนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าหนึ่งมีความไม่รู้นะเกิดมามีความไม่รู้ก็มีสิ่งที่พระเรียกว่าอวิชชาสองเมื่อไม่รู้มันก็ทําอะไรไม่ถูกน่ยสัมพันธ์อะไรก็ไม่ถูกเท่านั้นก็เกิดความติดขัดบีบคั้นขัดข้องกับตัวเองภาวะนี้เรียกว่าทุกข์น่ยตกลงว่ามีอวิชชามาก็มีทุกข์ใช่ไหมอวิชชากระทุก อ้าวทีนี้ทําไงล่ะทำไงจึงจะดําเนินชีวิตไปได้มนุษย์ก็มาเกิดมาบอกมีตตัวก็จริงกั่ตัวนี้มันมีอะไรติดมาด้วยไม่ได้มีมาเปล่าตัวมีก็มีเครื่องมือที่จะมาติดต่อกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองเครื่องมือติดต่อกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มที่นี่แหละที่จะทําไงจะรู้ทำไมเพราะไม่รู้มันก็ติดขัดทีนี้ก็ต้องหาทางรู้ ไอ้สิ่งที่จะช่วยให้รู้ก็มัติดตัวมาแล้วเครื่องมือนี้ก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปลึกในตัวก็คือใจที่จะประมวลที่จะมาปรุงมาจัดสรรสิ่งที่รู้เข้ามาด้มีตาหูจมูกลิ้นเข้ามานี่ทางพระท่านเรียกชื่อว่าอาญตนะนะอาญตนะก็แปลว่าแดน แดนติดต่อนั่นเองว่างว่าตาของเราก็เป็นแดนที่เราติดต่อกับโลกหูของเราก็เป็นแดนติดต่อกับโลกนก็คือมีเครื่องมือสื่อสารพูดสมัยใหม่ตกลงว่าเรามีเครื่องมือสื่อสารกับโลกติดตัวมานี่แหละอันนี้ตัวที่มาไม่ได้มาเปล่าๆมีเครื่องมือสื่อสารกับโลกติดมาด้วยตรง น, นี้แหละที่สาคัญจะเป็นตัวไขปัญหาที่จะมาแก้ทุก เพื่อจะให้ดําเนินชีวิตไปได้อันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งท่าเรียกว่าอินทรีย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์ก็เป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่นั่นเองอินทรีย์ว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าการก็มีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ติดต่อโลกมาหตัวนะมี ตาเป็นเจาหน้าที่ติดต่อในแง่ของการเห็นหูนเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่ฟังได้ยินเป็นต้นก็มีอาญตณะเครื่องมือสื่อสารหรืออินทรีย์เจ้หน้าที่ติดต่อโลกนี้มาหอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอา้าวทีนี้จเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละจะทำให้เราได้ความรู้ เกี่ยวกับโลกเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้เราก็ดำเนินชีวิตไปได้แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหน่อยว่าเอตอนมาใหม่ๆประทันทีที่รู้รู้เนี่ยมันไม่พอนะมันรู้เห็นทันทีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มันไม่ได้รู้ขึ้นมาทันทีวมันคืออะไรเป็นอย่างไรแล้วมันมีคุณมีโทษอย่างไรเนาะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันดูไปว่าไอ้นี่สีเขียวไอ้นี่เป็นอะไรแค่นี้ก็ ต้องใช้เวลาเลยนะเพราะฉะนั้นการรู้นี่ไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บทันทีต้องเป็นรู้โดยการเรียนรู้นะต้องเรียนรู้มันอันนี้การที่จะเป็นอยู่รอดเนี่ยมันรอไม่ได้นะมารอที่จะให้รู้เลยว่าเป็นยังไงมีคุณมีโทษอย่างไรอะไรนะจะปฏิบัติอย่างไรทําไงาทีนี้ นี่เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวนมันไม่ใช่ว่าตาดูแลก็รู้เขียวรู้แดงรู้เหลืองรู้กลมรู้แบรู้เรียมอะไรท่านั้นนีมันมีอีกอย่างคือรู้สึกด้วยตอนนี้แหละที่สาคัญ่าไอตอนรู้นี่ต้องเรียนใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าว่าได้เรียนรู้แล้วเนี่ย ก็จะค่อนข้างแน่นอนคือว่าเราจะปฏิบัติตามยังไงนั่ที่จริงต้องอาศัยความรู้ลนะแต่บางทีก็รู้น้อยก็รู้ผิดก็มีนะฮะแล้วก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกแต่ว่าในที่สุดก็จําเป็นต้องอาศัยรู้นยิ่งต้องรู้จนกระทั่งรู้จริงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในการรู้นี่ต้องอาศัยเวลาทีนี้ทําไงก็อีกด้านหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายก็ทํำนัดที่รู้สึกด้วย พอเห็นได้ยินต่างๆนี่ก็มีความรู้สึกสบายไม่สบายนี่มีผลต่อ ต, ตัวเองทันทีเลยพอเห็นสบายตาเออก็เรียกว่าถูกตาได้ยินเสียงสบายหูก็ถูกหูนะีถ้าอันไหนมันได้ยินได้เห็นแล้วมันไม่สบายตาไม่สบายหูนะีมันไม่ถูกกันมันก็ รู้สึกในทางขัดแยง้งนะตัวเองก็จะมีความโน้มเอียงติดมาเลยว่าถ้ารู้สึกไม่สบายก็จะเกิดความขัดแยง้งแล้วก็ไม่ชอบใจนะจะเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบใจแล้วก็เมื่อไม่ชอบใจก็ต้องไม่เอาต้องหนีหรือถ้าหากว่าจะจัดการกับมันได้ก็อาจจะทําลายมันทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันสบาย ก็อยากได้อยากเอาด้านความรู้สึกนี่ไวเกิดทันทีไม่เหมือนด้านรู้นี่ต้องเรียนกันใช้เวลาด้านรู้สึกนี่ทันทีเพราะนั้นด้านรู้สึกก็เลยมามีที่พลเป็นตัวชักนำการดำเนินชีวิตก่อนจะดำเนินชีวิตคือหมายความว่าจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยก็เลยมาขึ้นต่อความรู้สึกนี้ใช่เอาความรู้สึกเป็นตัวกาหนดก่อน พอเห็นสบายตาถูกตาเอาว่ากนะันชอบใจมีปฏิกิริยาชอบใจเอาเลยนะเข้าไปหาไปเอามาหรือไปอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่าเห็นแล้วไม่สบายตาได้ยินแล้วไม่สบายหูอยางได้ยินเสียงฟ้าคลุ้นี่ตกใจไม่เอาแล้วนะ่ะหนีเลยนีแต่ถ้าได้ยินเสียงเพราะๆ เ, เออเข้าไปหาแลใช่ไหมนี่เอาตามความรู้สึก ก็เลยกลายเป็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่มันก็เลยทำท่าที่สองด้านเหมือนกับทางแยกสองทางด้านรู้นี่เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เราดำเนินชีวิตได้ดีเป็นของจริงของแท้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้มาง่ายๆ่อันี้ไอ้ด้านรู้สึกนี่มันทันทีมันมีปฏิกิริยาออกมาในใจตัวเองตัดสินใจได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนก็เลย อยู่ใต้อิทธิพลความรู้สึกสมากความรู้สึกก็มีอย่างที่บอกแล้วก็มีรวมแล้วมันก็มีสมอย่างคือหนึ่งรู้สึกสบายทางพระก็เรียกง่ายๆว่าเป็นสุขไม่สบายก็เรียกว่าเป็นทุกข์หรือถ้าไม่งั้นก็เฉยๆจะว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ทางพระท่านบอกที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ เฉยๆเนะี่ยมั น, ม, นมันที่จริงมันเป็นสุขอ่อนๆนะคือเพลินๆนะอันนี้เอากันง่ายๆก็มีสามสามอย่างนี้เรียกว่าเวทนานะเวทนามีความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆเฉยๆนี่ถ้าเรียกเต็มก็เรียกว่าอทุก ข, ขมสุขบางทีก็เรียกว่าอุเบกขาก็มีสุขทุกขอุเบกขาในพอรับรู้ปา้ามีความรู้สึกเวลาสุขก็ปฏิกิริยาก็คือชอบใจ นะรู้สึกทุกข์ก็ไม่ชอบใจอุเบกขาก็พลืนพลืนทีนี้ปฏิกิริยาที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยทางพระท่านเรียกว่าตัณหานะเอานะต่อจากเวทนาความรู้สึกก็ตามด้วยตัณหาเป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจถ้าพาพูดภาษาเก่าๆคนโบราณเขาแปลคำพระอันนี้ชอบใจไม่ชอบใจหรือชอบชังเนะี่ยชอบกับชังนะเขาแปลว่ายินดียินร้ายนะ นั่นคนเราเนี่ยพื้นของมนุษย์ที่เราเรียกว่าปุถุชนคนที่ยังไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้พัฒนาไม่ได้เรียนรู้อะไรนี้ก็จะอยู่กับความรู้สึกแล้วก็ปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นหถ้ามีเวทนาเป็นสุขก็เกิดความชอบใจถ้ามีเวทนาเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจอันนี้ความชอบใจไม่ชอบใจเนี่จะเป็นตัวกําหนดว่าจะเอาหรือไม่เอาอย่างที่ว่า เพราะว่าชอบใจตกลงว่าจะเอานะทีนี้ก็คิดเริ่มจากความคิดก็คิดว่าทำไงจะได้สิ่งนี้แล้วเมื่อทำไงจะได้อ้าวทีนี้ก็ลงมือทำสิใช่มก็เคลื่อนไหวไปหาทางให้ได้มานะต่อมาเกิดคนอื่นก็อยากจะได้ก็แย่งชิงกันหรืออะไรก็มีเป็นเรื่องเลื่อยมาแหละก็คือหมายความว่าการดาเนินชีวิต การเป็นอยู่ะอะไรต่ออะเนี่ยก็เป็นไปตามกระแสของความรู้สึกแล้วก็เป็นไปกระแสชอบใจไม่ชอบใจที่เรียกว่าตัณหา mm. เมื่อเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ครอบงําชีวิตตัณหาก็ดําเนินไปโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าชุดกันก็คือว่ายังมีวิชาอยู่ ตันหาก็ต้องเข้ามาทําหน้าที่เมื่อยังไม่มีความรู้ก็อาศัยตันหาไปก่อนอาศัยด้านปฏิกิยาต่อความรู้สึกเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวกําหนดว่าเราจะเอายังไงจะดําเนินชีวิตไปเพราะฉะนั้นชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ปุตุชนก็ดําเนินไปตามตันหาคือชอบใจไม่ชอบใจซึ่งเป็นไปตามความรู้สึกคือเวทนาอันนี้เมื่อมันเป็นไปตามความรู้สึกเนี่ย มันไม่เป็นไปด้วยความรู้มันไม่แน่ไม่นอนนะว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตหรือไมนะ่เอาแน่ไม่ได้แต่ว่าก็จะทำไงได้ตอนแรกมันไม่รู้นี่ใช่ไหมเมื่ อ, อยังไม่รู้ก็ต้องอาศัยตัณหาไปก่อนทําให้ชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ปุตุชนนี่มองในแง่หนึ่งก็เท่ากับว่าก็เมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องอาศัยตัณห า, ศาช่วยไว้ก่อน นั้นกิเลสตัณหาตัณหาก็มากับกิเลสอื่นๆเยอะแยะไปหมดเพราะว่ามนาสัยพื้นคือความไม่รู้แล้วก็ใช้ความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักอันนี้ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็บางทีบางอย่างนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็กลัวใช่ไหมไอ้เมื่อมีไม่สิ่งที่ไม่รู้ก็กลัวนีหวาดหวั่นมันจะดีหรือจะร้ายก็ไม่รู้อะไรต่าง ๆ, ๆอันนี้ด้านที่ว่า ที่ด้านถ้าชอบใจมันก็ไม่เป็นไรสิถ้าเกิดไม่ชอบใจมันร้ายเราแย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความกลัวนั่งแงมากับความไม่รู้ในความกลัวจะครอบครองจิตใจกลัวว่าจะไปยังไงกลัวว่ามันจะเกิดโทษเกิดผลร้ายกับชีวิตมันจะเป็นอันตรายร ต, ต่างๆเหล่านั้นอันนี้ความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ความกลัวเนี่ยจะเข้ามาครอบงําชีวิตของผุ้ดุจชนมาก วัถุชนอย่างที่ว่าผู้ไม่รู้ก็อยู่ได้กินเลย น, นั้นเขาก็จะเดินชิเอาไว้ว่าชอบใจก็เอานะดิ้นลนไปเอามันไม่ชอบใจก็หนีหรือทำลายมันซะน่ะถ้าไม่รู้ก็กลัวไว้กลัวไวน่ะไอ้ความกลัวนี่ก็ช่วยชีวิตมนุษย์เยอะใช่ไหมเพราะกลัวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่รู้นี่ก็ทําให้ต้องระวังน่ะเมื่อไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไม่ยอมเข้าหาแล้วถ้าหากว่าเข้าไปปั๊บนี่มันอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตก็ได้ ไอ้ความกลัวนี่ก็ช่วยชีวิตมนุษย์ปุถุชนเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ปุถุชนนี่เจ้าพวกตันหาซึ่งเป็นกินเลสเจ้าพวกความกลัวอะไรพวกนี้น่ะช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อเรายัางไม่รู้นี่คือชีวิตปุถุชนแต่เป็นอันว่าด้านนี้ไม่ใช่ของแท้จริงไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าของชอบใจเป็นโทษก็มีของไม่ชอบใจเป็นคุณก็มีใช่หม ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอะไรที่ชอบใจแล้วไม่แน่บางทีชอบใจแล้วเป็นโทษกับชีวิตขอาตัวเองทิงๆสมัยเด็กๆเนียรหนังสือชอบใจที่รีดหนังสือจะเป็นไงทิ้งๆก็เป็นประโยชน์แต่ว่าเด็กจะไม่ชอบเรียนออ๋อไม่ชอบจะไม่ชอบจะเป็นประโยชน์ถ้าทีนี้ที่ชอบแล้วเป็นโทษก็ไม่ยากอะไรนะ้าเช่นเด็กๆทุลทัดแหม พูดแบบนี้ก็เรื่องซับซ้อนของอารยธรรมเนนี่เอาของพื้นๆหน่อยดิเรื่องอาหารเอาอาหารอาหารนะฮะนชอชอบชันอาหารมันแต่ว่าเป็นโทษก็มีเพราคนในส่อบสูงทีเดียย่าไปลองในโทษอย่าต้องแยกมาได้ออกประโยชน์ก็ไปขายข้อมันเป็นจานหนึ่ง ว่ามันล่อเลื่นเป็น้มันล่อลือนจริงตั้งฉันได้ความรู้สิว่าเราจะต้องการมันเพื่ออะไรและเราจะต้องการแค่ไหนใช่ไหมอันนี้ถ้าชอบเฉยเฉยนี่ไม่แน่นอนไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามโดนหลอกได้ง่ายถ้าคนที่จะเอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมได้ความรู้สึกสบายชอบใจเนี่ยโดนหลอกง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยปัญญามันไม่รู้เพราะฉะนั้นมาคือรวมแล้วก็คือเสี่ยง เมื่อมนุษย์อยู่ด้วยตัณหาเอาความชอบใจไม่ชอบใจเข้าว่าก็มีความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตไปเจอไอ้ที่ชอบใจแต่มันเป็นคุณก็ดีไปแต่ไปเจอชอบใจแต่เป็นโทษก็แย่ไปเลยแล้วบางทีไอ้ที่ชอบใจเป็นโทษแล้วมันเสียไปทั้งชีวิตก็มีหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทําไงลรามนุษย์จะมีชีวิตได้ดีตกลงว่า ถ้าเอาด้านชอบใจไม่ชอบใจนี้ไม่ปลอดภัยนะก็รวมไปถึงเครื่องกลัวด้วยแน่นอนไอ้กลัวนั่นก็ไม่รู้ตกลงว่าทั้งชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็กลัวนี่ก็มันตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาความไม่รู้นะฮะอวิชชาเป็นตัวเ อ, อื้อเอาวทนนี้ทําไงจะมีชีวิตด้วยดีตกลงว่าต้องใช้ด้านรู้อันนี้เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเมื่อกี้นี้ใช้ในด้านความรู้สึก ก็ไปทางกระแสตัณหาเราก็ได้ด้านอาวิชชาตันหาแล้วก็ปนเปนอยู่กับทุกข์ใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้อวิชชากระทุกคู่กันนีตันหาก็มาช่วยไว้ตันหาก็อาศัยอวิชชานั่นแหล ะ, ะมาด้วยกันพวกเดียวกันเพราะว่าไม่ต้องมีความรู้ก็ไปตามรู้สึกอันนี้ก็เลยไม่สามารถพ้นจากทุกได้อวิชชาตันหาก็อยู่ในกระแสของทุก อันนี้ก็จะต้องใช้ด้านรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีนี่นอกจากด้านรู้สึกก็ด้านรู้เอาแล้วทีนี้ก็ได้ใช้ด้านรู้ซะบ้างด้านรู้ก็เรียนรู้แล้วพอเรียนรู้ก็อ้อนี่สีเขียวสีแดงรูปร่างกลมแบนเรียนรู้ว่าเป็นต้นไม้นะต้นไม้ชนิดนี้มันมีทุกมีคุณหรือมีโทษนมีผลกินได้หรือกินไม่ได้อะไรเป็นต้นเนี่ยการเรียนรู้นี่ ทำให้เราปลอดภัยพอรู้แล้วนี่ปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีอย่างแท้จริงนี้ต้องอาศัยความรู้เพียงแต่เรารู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นคุณเป็นโทษเราปฏิบัติต่อมันถูกต้องเราก็พ้นจากความติดขัดบีบคั้นขัดข้องก็พ้นจากทุก์นั่นเองหรือเมื่อเรามีความรู้อันนี้เราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้องไอ้ตัวทุกข์ที่เราเรียกว่าปัญหามันก็ไม่เกิด ก็คือไม่ติดขัดบีบคั้นตัวเราก็ดำเนินชีวิตไปได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องการด้านตรงข้ามก็ไม่รู้ก็คือต้องการรู้อะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้เรียกว่าวิชารู้ก็ต้องเรียกว่าวิชาแสดงว่าเราต้องการวิชาทีนี้วิชาก็จะทำให้เรานะพ้นไปจากทุกได้พ้นไปจากทุกนี่ทุก ต ร, ตรงข้าม พ, พ้นเราเรียกว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นนะพอรู้ก็ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นอันว่าอีกสายหนึ่งก็มาวิชาแล้วก็วิมุตต์นะวิชารู้วิมุตตก็หลุดพ้นทุกข์แม้แต่ว่าทุกข์นั้นไม่เกิดได้ซ้ําไปสองสายแล้วนะฮะวิชาวิมุตต์ทีนี้ท่านสงวนคําว่าวิชาไ ว, ว้วิชานี่หมายถึงรู้แจ่มแจ้งรู้จริง นี้มนุษย์นี่กว่าจะเรียนรู้ไปถึงรู้จริงๆรู้แจ้งเลยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆก็เลยว่าท่านก็สงวนคําว่าวิชาไว้สําหรับความรู้แจ้งไปเลยทีนี้รู้ในระหว่างนี้เล็กๆได้น่อยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนี่ท่านก็ให้ศัพท์ที่กว้างๆมาคําหนึ่งว่าปัญญาปัญญาเป็นความรู้ใช้เป็นทั่วไปเลยในระหว่างที่ยังไม่ถึงวิชา คามรู้แจ้งก็เป็นปัญญาไปเรื่อยๆข้างมานันว่าในทั่วไประดับทั่วไปเราต้องการปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะทําให้ตัวความติดคั น, นบีบคั้นติดขัดขับข้องเนี่ยเบาลงไปเบาลงไปเพราะนั้นทุกข์ก็เบาบางลงเมื่อเป็นวิชาปัญญานั้นเป็นวิชาเต็มที่ก็จะเป็นวิมุตติโดยสมบูรณ์ตอนนี้ก็เท่ากับปัญญามาทําให้ หลุดพ้นจากทุกน้อยลงไปเรื่อยๆเบานบันบรเทาบ า, บาๆลงไปก็สรุปตอนนี้นะฮะเป็นอนุตตอนนี้เราเกิดมาในโลกอยู่ในสภาพแวดล้อมจะต้องดำเนินชีวิตไปแต่เรามาแต่ตัวการที่จะดำเนินชีวิตได้ไปได้จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตัวเองยังไม่มีความรู้แต่ก็มีเครื่องมือ ที่จะติดต่อกับโลกที่จะเรียนรู้ติดมาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะหรืออินทรีย์แต่ทีนี้การเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการเวลาก็เลยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าด้านความรู้สึกก็เข้ามามีบทบาทชักนำชีวิตโดยที่ว่ามีปฏิกิริยาต่อ สิ่งที่ได้พบในสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นในแบบชอบใจไม่ชอบใจตามความรู้สึกแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามความชอบใจไม่ชอบใจนั้นสายนี้เรียกว่าอาวิชชาตันหาแล้วก็ไม่พ้นจากทุกทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นในแง่ของการรู้ได้แก่เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วรู้เข้าใจจริงก็ จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องดําเนินชีวิตไปได้ดีดีก็เรียกสายนี้ว่าวิชาวิมุตต์ก็คือว่ามีวิชารู้แจ้งความจริงแล้ววิมุตต์ก็หลุดพ้นจากทุก์ไม่มีทุกแต่ว่าสงวนวิชาไว้สำหรับความรู้ขั้นสูงสุดในระหว่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาก็เป็นอันว่าตอนนี้ได้หลักทั่วไป ก็คิดว่าจบเท่านี้ก่อนแล้วค่อยมาขยายความให้ละเอียดต่อไปนะฮะมีอะไรสงสัยไฮะเ็กก็เป็นไม่ทราบวาเรื่องของในเรื่องระหว่างที่รู้เนี่ยนะฮะ็รืกตกด้ว ย, ดยใช่มอันม็นของสังขารหรือเปล่าก็นี่แหละพอจากไม่รู้มามันก็ตอนครึ่งรู้ครึ่งไม่รู้เอาละทีนเนี้ยใช่ไหมก็จะต้องมีการ ที่ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นก็จะเกิดมีภาวะที่เรียวกว่าการปรุงแต่งขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่ารายละเอียดลงไปตอนนี้เราเอาแค่หลักการทั่วไปก็ น, นจะมีช่วงนะครับราตอนที่รู้หรือ่มเตัณหาแล้วช่วงระหว่างที่เวทนาแล้วไปเป็นตัณหาเนี่ยมันต้องมีสั้มาเกี่ยวข้องด้วยคบคืออาญตนานี่ความรู้สึกมีทันที ใชทันทีที่ตาเห็นเนี่ยมันมีความรู้สึกทันทีด้านรู้ก็ได้แค่เห็นใช่ไหมแต่มันยังไม่รู้จักเป็นอะไรหรอกแต่ว่าด้านรู้สึกมีทันทีเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานในด้านรู้สึกมันมาทันทีแล้วการปรุงแต่งก็ต้องอาศัยความรู้สึกนี้ด้วยนะฮะต้องอาศัยเวทนาต้องอาศัยเวทนาเพราะช่วงที่เกิดเวทนาแล้วเนี่ยก็ต้องมีสังขารต่อ อ๋อตันหาก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของสังขารตันหาเนี่ยอยู่ในสังขารเลยตรงนก็สังขารในองค์านห้ากับสังขารในปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ทราบสังขารคนไหนมันเท่าไัหรือว่านใหญ่เป็นคนใ่สังขารโน่สิที่ต่างกันสังขารที่ต่างก็คือสังขารในไตรลักษ สัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขานั้นเป็นสังขารในความหมายหนึ่งที่ <fe at> นี้ใหญ่ที่สุดทีนี้สังขารในขันห้ากันในปฏิจจสมบาตในชุดเดียวกันแต่ว่าเป็นสังขารในความหมายที่เรามองแบบหยุดนิ่งแยกส่วนประกอบ <re pe at> นั่นเป็นแบบขันห้าดูส่วนประกอบเหมือนอย่างการรถในแยกส่วน ว่ามีอะไรอะไรอทีนี้ในปฏิบัมิบทบาทนั้นเป็นภาคปฏิบัติการกระบวนการว่ากําลังทํางานพูดในเชิงฟังก์ชันการทําหน้าที่ทีนี้ไอ้พวกขันห้าเนี่มองในแง่องค์ประกอบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอนั้นคนละพูดเป็นการพูดคนละแบบในปฏิบัติบทบาทคือมันทํางานเลยมันกําลังเป็นไปในกระบวนการก็คือชุดนี้แหละ ชุดสังขารในขันห้าเนี่ยในขณะทำงานก็มาเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทนะับคอายครับแล้วอย่างวิญญาณนะครับที่เราว่าเป็นวิญญาณเนี่ยคตัวรู้ใช่หมครับรู้ภาวะที่รู้ถ้าถ้าอย่างการเรียนรู้เนี่ยในขั้นต้นอย่างนอ่อนเนี่ยนะครับก็ต้องใช้วิญญาณใช่ไครับช่วงอวิญญาณมีการที่รู้เห็นได้ยินได้กลิ่นที่ อายตนะหรืออินทรีย์นี่ทําหน้าที่ทุกครั้งจะมีวิญญาณมันเกิดแน่นอนวิญญาณนี่จะเกิดทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นวิญญาณจะอยู่เป็นถ้าพูดเป็นภาษารูปธรรมก็คือเป็นแกนตลอดเวลามันจะต้นวิชาได้ ก, ก็ก็มีตัววิญญาณนี่วิญญาณมันอยู่กับการเกิดการทําหน้าที่ของอายตนะทั้ง6ทุกครั้งไปอันนั้นอย่างที่ว่ามันก็เป็นตัวแกน มันเป็นการรู้ที่ว่าตัวมันเองก็เหมือนกับเป็นกลางกลางมันแล้วแต่ตัวประกอบว่าจะประกอบแล้วจะมีคุณสมบัติอย่างไรเขาจะเป็นวิชาจะเป็นจะเป็นปัญญาใช่ไหมที่จะที่จะรู้แลเติมเติมให้ตัวนั้นเป็นฝ่ายสังขารหมด ว, วิชาปัญญาอะไรนั้นเป็นอยู่ในฝ่ายสังขารนะอันนั้นก็ค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกจะ ต, ตอนนี้เอาหลักการใหญ่นี้ก่อน เทากับว่าเริ่มเกิดมาดำเนินชีวิตจะอยู่รอดได้อย่างไรแล้วคนมนุษย์นี้ดำเนินชีวิตกันอย่างไรนะก็ออกไปจากจุดเริ่มตาหูจมูกลิ้นก็แยกเป็นสองสายสายวิชาตัณหาทุกสายวิชาวิมุตตหรือระดับทั่วไปเรียกว่าปัญญานะถ้าไม่มีอะไรก็ทานี้ก่อน